คนก็ชอบความสบายนะและเดี๋ยวนี้นะมันก็มีเหตุปัจจัยหลายลอย่างที่ทำให้เราได้อยู่สบายมากขึ้นแต่ถ้าสบายมากไปมันก็ไม่ดีนะอย่างเช่นถ้าเรานั่งๆนอนทั้งวันแม้ทำงานก็ได้แต่นั่งโต๊ะไม่เ ค, คออยยื่นขยับเท่าไหร่ มันก็ไม่ผลไม่เป็นผลดีกับสุขภาพต้องรู้จักทำอะไรที่มันเรียกเหงื่อบ้างเช่นวิ่งนะว่ายน้ำหรือยกยน้ำหนักไอ้ของพวกนี้เนี่ยมันก็ทำให้เหนื่อยนะแล้วก็บางอย่างก็เป็นเรื่องที่ยากลำบาก แต่มันก็เป็นผลดีต่อสุขภาพนะทำให้หัวใจปอดนะรวมทั้งสมองนี่แข็งแรงชีวิตคนเราเนี่ยถ้ามันมีสิ่งที่ทำให้ไม่สะดวกสบายหรือว่ามีความยากลำบากมั่งมันเป็นของดีนะร่างกายเรานะถ้าไม่มีเชื้อโรค เข้ามาทำให้เจ็บป่วยบ้างเป็นไข้บ้างมันก็คงไม่ดีนะเชื้อโรคที่ทำให้เด็กๆป่วยเป็นไข้มันมีประโยชน์นะมันทำให้เกิดภูมิคุ้มกันในร่างกายถ้าว่า ชีวิตของเด็กเป็นชีวิตที่ปลอดเชื้อนะอนามัยจัดไม่มีแบคทีเรียหรือเชโื้อโรคเข้ามาสัมผัสร่างกายหรือเข้ามาในร่างกายเลยมันก็ไม่ดีถ้าเป็นความเสี่ยงพราทำให้ผูม่คุ้มกันร่างกายเราไม่ได้ถูกกระตุ้นเพราะเชื้อ โ, โรคนั้นก็เป็นตัว กระตุ้นในผงกุ้งกันในร่างกายมันทำงานเรียกว่ามีการต่อสู้มีการขยื่นขยับพองให้มันทำงานบ้างถึงแม้ว่าจะทำให้เป็นไข้หรือว่ามีอาการไม่สะดกสบายบ้างอันนี้ก็เป็นประโยชน์ ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันเสริมสร้างระบบคุ้มกันในร่างกายเวลาเรียนหนังสือเนี่ยถ้าออว่าไม่มีการบ้านเลยหรือมีแต่การบ้านง่ายๆนะเด็กก็ไม่ฉลาดนะไม่ว่าเด็ก เ, กเลยผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนะการบ้านนี่มันก็ต้องยากนะต้องทําให้เด็กคุ้นคลิดบางทีอาจจะ เรียกว่าเครียดขึ้นมาเลยก็ได้แต่มันก็ทำให้เกิดการกระตุ้นสติปัญญาเช่นเดียวกันนะวิชาวิชาเรียนเนี่ยถ้ามันง่ายไปเด็กก็ไม่เติบโตผู้ใหญ่ก็เหมือนกันให้ความยากหนระือความลำบากนีมนก่มันก็มีประโยชน์ ต่อความเจริญเติบโตไม่อ่าจะของร่างกายหรือของสติปัญญาในเรื่องใจก็เหมือนกันนะมันก็ต้องมีอะไรที่มาทวนกระแสหรือสวนทางกับกิเลสบ้างเพราะถ้า ชีวิตเนี่ยทั้งชีวิตนปล่อยใจไปให้ไหลลื่นตามน้่างกิเลสไม่มีสิ่งที่จะมอคอยท่วงคอยขัดหรือว่าทวนต้านทานกิเลสเนี่ยมันก็ไม่เกิดการเติบโตในทางคุณธรรมในทางจิตใจศีลเนี่ยโดยเฉพาะศีลดเนี่ยนะมันเป็น จะเรียกว่าเป็นสิ่งที่ทวนกระแสกิเลส ก, ก็ได้ไม่ใช่เฉพาแค่ศีลห้าเนี่ยศีลแปเนเพราะว่ามันทำให้การทำอะไรตามใจกิเลสไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการเสพความสนุกสนานการประดับประดาหรือว่า ความสุขจากการนอนเนี่ยมันทำได้ไม่เต็มที่นะสีเนี่ยมนเป็นตัวก็ให้เป็นเครื่องขัดเกลาไม่ให้เราทำตามน้าของกิเลสอาจจะมีความอยากแต่ว่าเราก็บังคับกายบังคับใจ บังคับกายบังคับวาจาไม่ให้ทำตามต่างกิเลสอันนี้ก็เป็นงานของศีลนะไม่ใช่เพราะศีลหหรือศีล8ดอกิเลสมีอยู่นะแต่ว่าก็ฝืนมันต้านทานมันโดยการไม่ปล่อยตัวไปตามหน้าของมันแตวก็ตามแค่นี้ไม่พอนะ มันต้องรู้วิธีที่จะจัดการกับกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นด้วยและตรงนี้แหละนะที่มันจำเป็นต้องมีสิ่งที่เรียกว่าตัวกวนนะกวนจิตกวนใจเพื่อให้กิเลสนี่มันออกมาถ้าไม่มีสิ่งจะมากวนกิเลส บางทีเราก็เผลอนะเผลอคิดว่าเราเนี่เรียกว่าไม่มีกิเลสแล้วธรรมชาติคนเราเนี่ยก็ต้องการความสงบความนิ่งแต่บางครั้งเนี่ยไอ้ความสงบความนิ่งเนี่ยที่เกิดขึ้นกับเราความสงบนิ่งในจิตใจเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่สิ่งลวงตา มันเหมือนกับแก้วน้ำนะที่มีน้ําใสเนี่ยไอการที่น้ําใสเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่า น, น้ํานี้ไม่มีตะกอนนะตะกอนมะันมีแต่มันนอนก้นมันนอนกล่นจกนกระทั่งน้ําในแก่นี่ดูใสแต่นําเป็นภาพลวงตาบางครั้งเราก็จําเป็นต้อง กวนน้ำนะเพื่อจะได้รู้ว่ามันมีตะกอนอยู่ไหมแก้วที่มีตะกอนนอนกลิ่นเนี่ยพอดูเพลินๆก็ดูใสดีแต่พอเรากวนาไปโอ้ตะกอนนี่มันฟุ้งขึ้นมาเลยเราก็ทำให้รู้ว่าโอ้ไอ้แก้วนี้ยังมีตะกอนจะต้องกรองออกไปจิตใจเราก็เหมือนกันนะ บางครั้งเนี่ยนะใจเรานิ่งดูมันสงบแล้วคลยๆก็อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าที่จริงเนี่ยมันมีกิเลสนะที่ซุกซ่อนอยู่นะในจิตใจเหมือนกัตรกรที่นอนกลนเวลาถ้าใจเราเนี่ย เกิดนิ่งขึ้นมาหรือสงบขึ้นมาเนี่ยบางทีเราก็าจะาประมาทได้ประมาทว่านี่ฉันไม่มีกิเลสแล้วหรือว่าฉันปฏิบัติ ด, ดีแล้วนะอันนี้มันเป็นความหลงความลวงบางครั้งก็จำเป็นนะต้องมีอะไรมากวนจิตกวนใจเพื่อให้กิเลสนี่มันโผล่ออกมา โผล่มาเพื่ออะไรนะโผล่มาเพื่อที่เราจะได้จัดการกับมันได้แต่ใหม่ๆเนี่ยกิเลสมันอาจจะไม่ได้ออกแสดงตัวมาชัดเจนนะแต่มาจอกมาในรูปของอารมณ์นะอารมณ์ที่ที่ขุนมัวความไม่พอใจความหงุดหงิดซึ่งการที่มันมีอารมณ์เหล่านี้ขึ้นมานี่ หลายคนไม่ชอบนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นของดีนะเพราะว่ามันสามารถจะมาเป็นแบบฝึกหัดในการฝึกจิตได้มันไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่บ่งชี้นะว่าเรายังมีกิเลสมากมายที่ต้องจัดการแต่ว่าอารมณ์เหล่านี้มันยังสามารถจะเป็นประโยชน์ในการฝึกจิตได้ ฝึกยังไงนะอ่าฝึกให้มีสติรู้ทันการมีสติรู้ทันความคิดและอารมณ์นี่มันมีประโยชน์นะแล้วก็มีความสำคัญเพราะถ้าหากว่าเราไม่มีสติรู้ทันเผลอเมื่อไหร่ก็อาจะโดนนะอารมณ์หรือกิเลสเหล่านี้มันเล่นงานได้หลายคนเนี่ย ปกติก็สงบสงเง่ยมนะเพราะว่าชีวิตเนี่ยราบเรียบหรือว่ามีแต่สิ่งอำนวยความสนะความสุขความสบายมีสิ่งแวดล้อมที่เป็นใจแต่พอเจออะไรไม่ถูกใจนี่โกกิเลสนี่มันพุ่งขึ้นมาเลยอารมณ์ความไม่พอใจนี่มัน พุ่งพล่านขึ้นมาพออารมณ์เช่นความไม่พอใจความหงุดหงิดหรือความโกรธพรุ่งขึ้นมาแล้วนี่หลายคนก็ถูกอารมณ์เหล่านี้ครอบงำเรียกว่าหมดเนื้อหมดตัวเลยกลายเป็นคนกาดเกลียวนะผู้จจหยาบคายหรือว่า ต่อว่าดาทอนะผิดไปจากนะภาพที่เคยเป็นอันนี้ก็อาจจะเคยเห็นนะหลายคนก็เป็นอย่างนั้นแลวเวลามีอะไรที่เวลาชีวิตมันราบเรียบเนียมก็ดูสงบดีแต่พอเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจนี่อาจจะเป็นเสียงดังอาจจะเป็นคนพูดไม่ถูกหู ทำอะไะไม่ถูกใจนี่กราดเกลี้ยวขึ้นมาเลยแล้วก็หมดเนื้อหมดตัวอันนี้เพราะว่าไม่ได้ฝึกสตินะให้รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่รู้วิธีที่จะรับมือหรือจัดการกับอารมณ์เหล่านั้นพาท่าเสียทีไปกับอารมณ์เวลาถูกสิ่งภายนอกมากระตุ้นปลุกเรา แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยพยายามที่จะฝึกอยู่เสมอฝึกสติด้วยการหาอะไรมากวนให้อารมณ์เรานี่มันโผล่ขึ้นมาบ้างมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถจ ะ, ะพัฒนาจิตได้งอกงามขึ้นเหมัอนมีคำพูดว่าเนี่ยต้องรู้จักกวนกวนกวนน้ำเพื่อให้ ปลาฉลามโผล่นะปลาฉลามบางตัวนี่โอมันจับยากนะแต่ว่าพอลองกวนน้ำเข้าไปนี่เอาเท้ากวนน้ํำนี่มันโผล่เลยโผล่มาเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้จับมันได้แต่กิเลสนี่เราไม่ได้มุ่งหมายจะจับมันนะแต่อย่างน้อยเราก็เรียนรู้วิธีที่จะรับมือกับมันหมายกิเลสมันอาจจะไม่แสดงตัวมชาชัดเจนแต่มัน โผมาในรลกของอารมณ์นะความโกรธความไม่พอใจความหงุดหงิดความขุนเคืองนะเรื่องยังมีล้วนถึงความโลภนะความหวาดระแวงอาชีตเราเนี่ยจิตจัองเราเนี่ยถ้าว่าราบเรียบเกินไปสงบนิ่งเกินไปนี่มันสติมันจะเฉื่อยชานะแถ้า ส, สติเราเฉื่อยชาเมื่อไหร่เนี่ยก็หมายความว่าสิ่งที่จะช่วยรักษาใจของเราเนี่ย ไม่ให้กิเลสหรืออารมณ์เหล่านี้ครอบงัจนสร้างความทุกข์เนี่ยมันก็มีน้อยลงในการฝึกจิตเนี่ยนะบ่อยครั้งเราก็ต้องอาศัยเนี่ยตัวกวนหรือสิ่งที่มารบกวนจิตใจนะเพื่อให้อารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนานี่มันเกิดขึ้นเรียว่าอารมณ์อกุศลหลายคนไม่ชอบนะเพราะว่าพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะรู้สึกเป็นทุกข์นะแต่ว่าสําหรับผู้ที่ เห็นความสาคัญการฝึกตนเนี่ยเราจำเป็นต้องนะล่อนะให้อารมณ์พวกนี้มันโผล่ขึ้นมาด้วยการหาอะไรมากวนจิตกวนใจคือใจริงไม่ต้องหาก็ได้นะเพราะมันในชีวิตประจำวันก็มีอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อมันมีเราก็ไม่ปฏิเสธอารมณ์พวกนี้พอมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นโอกาสนะในการที่เราจะฝึกสติ ฝึกให้รู้ทันอารมณ์เหล่านี้รวมทั้งความคิดที่ไม่ประสงค์ด้วยนะกวนให้มันโผล่มาให้มันฟุ้งในใจไม่ว่าจะเป็นความคิดและอารมณ์เพื่อจะได้ฝึกสติให้รู้ทันรู้ทันยังไม่พอนะรู้แล้วเนี่ยก็ต้องรู้จักวางหรือว่ารู้แบบรู้ซื่อๆรู้เฉยๆหมายคำว่ารู้แล้วเฉย นะรู้ซื่อๆเนี่ยคือรู้แล้วเฉยเฉยคือว่าไม่ไปผักใส่นะกดข่มอารมณ์นั้นเมื่อรู้วมันมีทีแรกต้องรู้ก่อนว่ามันมีในใจมันโผล่ขึ้นมาในใจแต่หลายคนพอรู้แล้วเนี่ยนะไม่เฉยนะก็ไปสู้รบตบมือกับมันก็ไปกดข่มมันหรือบางทีก็ไหลไปตามมันในการฝึกสติเนี่ยนะรู้ หรือรู้ทันยังไม่พอนะต้องรู้แบบรู้สื่อๆคือรู้แล้วเฉยหรือรู้เฉยๆไม่แไม่ผักไซมันนะซึ่งหลายคนเนี่ยจะทำได้ยากเพราะว่าพอรั่วมันมีนะอดไม่ได้ที่จะเข้าไปกดค่มผักสายขับไล่เหมือนกับเห็นคนแอบเข้ามาในบ้านพอรั่วมันเข้ามานี่โอ้คว้าไม้ไลยตีเลย แต่ว่าคืนทันง่ายๆก็เข้าทางมันนะวิธีที่จะไม่หลงเข้าทางมันคือว่าแค่รู้เฉยๆการรู้ทันความคิดและอารมณ์แล้วก็รู้เฉยๆเนี่ยมันต้องเกิดจากการฝึกนะแล้วจะฝึกก็เกิดแล้วจะฝึกได้ก็เพราะมีอารมณ์คนนี้โผล่ขึ้นมานะ มาเป็นแบบฝึกหัดให้กับจิตใจของเราถ้ามันเงียบสนิทหรือว่ามันนิ่งเลยเนี่ยไม่ไม่ดีนะแต่ว่าหลายคนอยากได้ภาวะแบบนี้นิ่งสงบไม่มีความคิดหรืออารมณ์ใดๆมารบกวนแต่ที่จริงแล้วนี่นะมันกลับเกิดผลเสียในระยะยาวเพราะว่าพอมันไอตอนที่มันไม่โผล่มากวนเนี่ยก็ ก็ดีนะแต่พอมันโผล่มาเมื่อไหร่เนี่ยก็พาดท่าเสียทีมันเพราะไม่มีสติรู้ทันแต่ถ้าเรามีสติรู้ทันแล้วก็รู้แบบเฉยๆเนี่ยรู้แบบไม่ไปผักใสไล่ส่งมันแล้วก็ไม่ไปไหลาตา ม, มันก็จะทำให้มันมีอำนาจเหนือจิตเหนือใจของเราได้น้อยลงและทำให้มันต้องเรียกว่าล่าถอยไปเองในที่สุด จุดอ่อนของความคิดและอารมณ์ที่ไม่ได้รับเชิญเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละคือมันกลัวการถูกรู้ถูกเห็นรู้ทันเห็นทันมันเมื่อไหร่แล้วก็ไม่ไปลาวีกับมันนะมันก็จะพ่ายแพ้ไปเองแล้วการที่เราจะรู้ทันได้ไวแล้วก็รู้รู้จักนะวางเฉยแบบรู้ซื่อเนี่ยมันก็ มีทางเดียวคือต้อง ฝ, อฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆฝึกกับอะไรนะก็ฝึกกับความคิดอารมณ์ที่โผล่ขึ้นมานี่แหละให้เวลามันโผล่ขึ้นมานี่ไม่ว่าจะเป็นความคิดอารมณ์มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่แย่นะเป็นสิ่งที่ดีถึงแม้ว่าหลายคนจะไม่ชอบนะเพราะว่าพอมันโผล่ขึ้นมาที่ไรมันเหมือนกับว่าจิตใจมันถูกกวนหรือมีสิ่งรบกวนแต่ว่าถ้าหากว่าใช้ให้มันใชใ้มันให้เป็นนะเออมันมีประโยชน์มาก ที่แรกเราก็ฝึกสติด้วยการดูรู้ทันความคิดอารมณ์เหล่านั้นจนกระทั่งมันหายไปแต่ตอนหลังนี่เราจะไม่ใช่แค่รู้ทันความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะแต่ว่าเราจะยังพิจารณาไปถึงว่าเนี่ยอะไรคือร่างเงาของมันถึงตรงนี้อะไรที่เราจะเห็นนะว่ากิเลสเนี่ย ที่ซ่อนอยู่นี่แหละที่เป็นรากเงาของความคิดและอารมณ์กิเลสเช่นความยึดติดถือมั่นความหวงแหนหวงแหนในทรัพย์หวงแหนในหน้าตาหรือว่ายึดติดในความคิดพอมีอะไรมากระทบสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราหวงแหนหรือว่าความยึดติดในตัวกูพอมีอะไรมากระทบตัวกูนี่มันจะเกิดอารมณ์โผล่ขึ้นมาเลย อารมณ์พวกนี้นะม้จะเป็นความโลภความโกรยความหงุดหงิดพวกนี้นะมันมีราออกมาจากตัวกิเลสหรือตัวอวิชชาหรือที่ระหว่าตันหาอุปทานใหม่ๆเราไม่เห็นน ะ, ะเช่นเวลามีเวลาเราเห็นใครพูดไปถูกขูหรือว่าคิดต่างจากเราเนี่ยเราก็จะหงุดหงิดการฝึกครั้งการฝึกขั้นแรกคือรู้ทันความหงุดหงิดนะ เห็นความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นเห็นแล้วก็วางแต่ต่อไปเนี่ยมันก็จะเห็นต่อไปนะว่าอะไรคือเรื่ององความหงุดหงิดก็คือความยึดติดถือมันในความคิดนะหรือว่าที่ถูกปาทานยึดติดถือมันในความคิดของเราว่าถูกพอใครพูดหรือคิดต่างจากเราเราจึงโกรธไงเราจึงไม่พอใจเพราะมันมากระทบกับสิ่งที่เราคิดว่าถูกคิดว่าใช่อ เวลาการปฏิบัติการจดสติเนี่ยมันต้องไปให้ถึงขั้นนี้นะคือเห็นตัวกิเลส ท, ที่มันอยู่เบื้องหลังนี่จะเห็นได้ยังไงนะก็เห็นได้ก็ต่อเมื่อมันมีอะไรมากวนนะมีสิ่งมากวนกวนอะไรกวนใจนะนั้นไอ้การมีสิ่งกวนใจนี่มีประโยชน์นะไม่ว่าจะเป็นความไม่สะดวกสบายเนี่ ย, ยเช่นเวลามาพักที่วัดเนี่ย ที่พักหรือห้องพักเนี่ยนะมันไม่ถูกใจเพราะมันไม่สดวกสบายเท่าที่ควรเช่นห้องน้ําอาจจะเล็กไปหรือว่าห้องน้ําอาจจะอยู่ตรงข้างนอกเนะี่ยพอเราเห็นเนี่ยนะหลายคนก็จะรู้สึกไม่ไม่พอใจไอ้ความไม่พอใจนี่มันมาเพื่ออะไรมาเพื่อให้เราได้เรียนรู้นะเรียนรู้คือรู้ทันนั่นคนที่ไม่ไม่ ไม่เราไม่ฉลากล้วกันนะพอความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ไหลไปตามความไม่พอใจแต่คนที่ฉลาดนี่พอความไม่พอใจเกิดขึ้นก็หมมนนมมันกลับมาดูเห็นมันนะก็รู้ว่าเออนะเรามีความไม่พอใจอยู่เรามีความไม่ชอบไอความไม่สบายเนี่ยมันสามารถจะเป็นตัวกวนนะกวนจิตกวนใจให้เกิดอารมณ์บางอย่างเกิดขึ้นมา อาจจะรวมเปความกลัวด้วยนะกลัวเพราะว่ า, ามันอยู่ในที่เปลี่ยวเนะี่ยอันนี้มันก็เป็นแบบฝึกหัดให้เราได้เจริญสติคือรู้ทันมันอาจจะไม่ใช่แค่ความสงสายา จ, จะเป็นคําติชินนินทาคําวิจารเวลาได้ยินคําเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเกิดความไม่พอใจแต่ถ้าเราฉลาดนะเราก็จะเอาความไม่พอใจนะีนมาเป็น แบบฝึกหัดในการเจริญสติคือรู้ทันหมืนหัดมาดูใจเห็นความไม่พอใจเกิดขึ้นเมื่อมีเสียงต่อว่ามากระทบหูตัวกวนนีนะ่คือเสียงวิจารณ์เสียงต่อว่าซึ่งมีประโยชน์ต่อการฝึกจิตของเราบางทีบางคนพูดไม่ถูกหนะูหรือว่าเขาพูดไม่ถูกใจเราเนะพราะเขา มีความคิดความเห็นต่างจากเราเราได้ยินก็ขุนมัวถ้าเราไวนะเราก็จะเห็นความขุนมัวที่เกิดขึ้นในใจนะแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยคนก็ติดโซเชียลมีเดีย a c e b o o k นี่มีข้อความบางข้อความที่มันเราอ่านแล้วไม่ถูกใจเราเลยเพราะมีความคิดทางการเมืองต่างจากเรา หลายคนก็ใช้วิธีนะบล็อกเลยนะเพราะว่าทนไม่ได้นะที่เห็นข้อความที่มันมันไม่ถูกใจเราแต่ถ้าหมอยดีนะในการที่มีข้อความแบบนี้แหละนะที่มันสามารถจะเอามาใช้ฝึกใจเราได้เราไม่จำเป็นต้องบล็อกนะก็อ่านซะเลยนะแล้วก็เห็นความไม่พอใจเห็นความไม่พอใจแล้วก็นอกจากรู้ทันความไม่พอใจแล้วนะ พิจารณาต่อไปก็จะเห็นเห็นร่างเงาของมันนะก็คือกิเลสตัวใหญ่ๆนะนั่นคือความยึดติดถือมั่นในความคิดยึดว่าความคิดของเราถูกพอมีใครมากระทบความคิดนี้พูดจากระทบความคิดนี้หรือเห็นหรือมีความผิดต่างจากเราก็เกิดความไม่พอใจเราจะเห็นเลยนะว่าตัวกิเลสเนี่ยคืออะไรคือที่ถูกปาทาน ซึ่งเราก็ต้องมองให้ทันหรือว่ารู้ให้ให้ชัดเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะมาสร้างความทุกข์กับเราไอ้พวกนี้ก็เป็นตัวกวนเนี่ยเหมือนกันนะข้อความที่หลายคนหรือบางคนโพส์มาแล้วไม่ถูกใจเราแทนที่เราจะบล็อกซะเลยน ะ, ะเราลองฝึกดูฝึกอ่านไม่ถูกใจเราเห็นความไม่พอใจเกิดขึ้นก็รู้มันนะแล้วก็ พิจนารณาต่อไปอย่างซื่อตรงจนเห็นนะไอ้ตัวกิเลสนะที่ถูกปาทานหรืออุปาทานตัวอื่นนะพวกนี่มีประโยชน์นะมีประโยชน์ในการฝึกจิตไม่ใช่แค่ทำให้เรามีสตินะรู้ทันความคิดและอารมณ์ต่อไปไม่ทำให้เราเกิดปัญญานะทีนะ่เห็นชัดในรากเง้าของกิเลส เ, เราเงาของความทุกข์นะเรียกสมุทยัย บางคนเนี่ยนะแต่บางคนไม่เข้าใจนะไปคิดว่าเนี่ยโอ้มันต้องมันต้องสงบมันต้องนิ่งนะถึงจะดนะีเวลาปฏิบัติก็อยากให้มันนิ่งนะที่จริงการที่มันมีอะไรที่ไม่นิ่งเนี่ยมันก็เป็นขอ้ขอดีเหมือนกันนะอันนี้รวมถึงการปฏิบัติในรูปแบบด้วยนะเวลาปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยว่ามันมีความคิดมากมายเกิดขึ้นนะถ้าคนที่ เห็นคุณค่าของการเจริญสตินะอาจจะไม่งุนงุนลาคาญ น, นะที่มันมีความคิดฟุง้งซ่านนะกลับมองว่าเออดีนะมีแบบฝึกหัดเยอะหลวงว่าเทียท่านก็บอกนะว่าเนี่ยอย่าไปห้ามความคิดนะปล่อยให้มันออกมานะเวลามันมีอะไรมากวนก็ปล่อยให้มันกวนให้ความคิดมันออกมาให้อารมณ์มันออกมานะยิ่งคิดนะก็ยิ่งรู้นะ คือรู้ทันแล้วทำไปทาไปพอสติวัยขึ้นนะความคิดที่มันผุดขึ้นมาก็จะน้อยลงน้อยลงจนกลายเป็นนิ่งไปถึงตอนนี้ก็หลวงพ่อเทียนท่านท่านมองว่าอย่าปล่อยให้มันนิ่งไปนานๆนะต้องขยเาต้องขยา่าหาอะไรมากวนด้วยการเดินเร็วๆนะยกมือไวๆเดินเร็วๆเพื่อขยา่าหรือกวนให้ความคิดเนี่ยมัน ออกมาเหมือนกับขยา่าแก้วเพื่อให้ตะกรอนเนี่ยที่มันนอนกลื น, นมันฟุ้งขึ้นมาอันนี้มันเป็นวิธีที่แตกจากความเข้าใจของหลายคนนะว่ามันต้องนิ่งมันต้องนิ่งถึงจะดีแต่ที่จริงแล้วนี่นะมันต้องอาการไม่นิ่งนั่นแหละนะที่มันจะเป็นประโยชน์แล้วถ้าจะให้มันไม่นิ่งก็ต้องมีอะไรมากวน เพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ม า, าคอยกวนจิตกวนใจเนี่ยนะมันมีประโยชน์นะถ้าเราต้องการฝึกจิตอย่างจริงจังหรือพ่ะการฝึกสติหรือการฝึกให้เกิดปัญญาอย่าไปนหนีมันนะบางทีต้องเข้าหามันหรือก็ส่งเสริมมันด้วยนะกระตุ้นให้มันฟุ้งมากมากนะจนกระทั่งเราสามารถที่จะจัดการกับรล่าเา ข, ของมันได้พอจัดการกับล่าเ่าของมันได้คือตัวตัวกิเลสเนี่ยนะ อุปทานตะนาวอุปทานเนี่ยทีนี้มันก็จะฟุ้งน้อยแนละ้วฟุ้งน้อยนี่ไม่ใช่เพราะว่าไม่มีสิ่งกระทบนะแต่เพราะว่าไอ้ตัวร่างเงาคือสมุทัยเนี่ยมั น, ม, น, ม, นมันเบาเทามันบรรเทาเบาเบางแล้วตรงนี้ตทหาที่เป็นความถึงที่วัดความก้าวหน้าของการปฏิบัติคือการมีสตมิมีปัญญาจากการที่ได้เรียนรู้ฝึกฝนจากความคิ้เละอารมณ์ต่างๆที่มันถูกกระตุ้นนะ